คำถามมีเหตุบอกไหมคะว่าจะบรรลุธรรมหลวงพ่อตอบก็ปัญญาไงที่บอกจเจริญสติเข้าไปแยกรูปแยกนามรู้ตัวเองแก้ไขตัวเองปรับรุงตัวเองเรามองเห็นทางแล้วเราชำระสาสารกิเลสได้แล้วนั่นแหละไม่ต้องให้คนอื่นเขาบอกเราประกาศด้วยตัวเองนั่นแหละ เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคำถามขอถามเป็นข้อๆนะครับคาราววาสามารถบรรลุโสดาบันได้หรือครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนี้บรรลุหลวงพ่อตอบได้กันหมดทุกคนนั่นแหละขอให้เราทำความเข้าใจให้ถูกต้อง อันนี้เป็นธรรมะขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปเท่านั้นเองถ้าเราสนใจรู้จักวิเคราะห์พิจารณาก็ถึงกันหมดทุกคนนั่นแหละคำถามเอาหลักเกณฑ์อะไรวัดครับหลวงพ่อตอบเราต้องรู้ตัวเราเสียก่อนว่าเราละอะไรได้บ้างแก้ไขตัวเราเองอะไรได้บ้างความเป็นอยู่ของเรา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราดีขึ้นไหมนั่นแหละพ่อเปรียบเทียบํำตอบที่ถูกต้องคำถามพระโสดาบันเป็นกันยากไหมหลวงพ่อตอบเป็นกันทุกคนถ้าน้อมจิตน้อมกายของเราเข้ามาสำรวจตรวจตราเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยแล้วประพฤติปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนของท่านให้รู้ให้เห็นทำความเข้าใจแล้วชำระสารกิเลสออกจนกว่าจะหมดจากจิตจากใจของเราเพียงแค่น้อมกายน้อมใจของเราเข้ามาเชื่อมั่นในองค์คุณพระรัตนตรยัยเราก็ตกกระแสทำพระโสดาบันแล้วคำถา ม, ถามพอจะมีทางเป็นพระโสดาบันง่ายๆไหมคะ หลวงพ่อตอบง่ายที่สุดก็คือเรารู้จักจิตของเราไม่ให้จิตของเราไปสร้างองกุศลต่างๆและอกุศลจเจริญกุศลให้มากๆอยู่ในกองบุญกองกุศลอย่างนี้ก็ไปสู่ทางที่มีความสุขความสงบแล้วคำถา ม, ถามการบรรลุธรรมจริงหรือที่มีผู้กล่าวว่า เวลาจะบรรลุธรรมจะฝันว่าเราวิ่งไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งหลวงพ่อตอบไม่จริงคําถามผู้ที่บรรลุธรรมเข้าถึงโสดาบันจะรู้ตัวเองหรือเปล่าหลวงพ่อตอบอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากคนที่จะบรรลุธรรมรู้ธรรมได้ ต้องเกิดจากการเจริญสติการเจริญสมาธิรู้จักแยกรูปแยกนามทำความเข้าใจแล้วก็ชำระสาสังกิเลสเพียงแค่แยกรูปแยกนามจิตก็ตกกระแสทำแล้วการเจริญสติการสร้างสติการรักษาสติพวกเรายังไม่ได้สร้างกันมันจะไปแยกรูปแยกนามได้อย่างไรมีแต่เป็นนึกเอาไปคิดเอาอันนั้น ยิ่งห่างไกลถ้าเราแยกรูปแยกนามได้เมื่อไรเราสังเกตดูตามดูตามทําความเข้าใจได้นั่นแหละเราก็ตกกระแสธรรมทีนี้การชำระศสาสตสังกิเลตเราจะชำระศาสตรสางได้หมดหรือไม่ถ้าเราชำระศสาสตรสังกิเลตได้หมดเราอาจจะเข้าถึงนิพพานก็ได้ชำระศสาสตร์สังกิเลตได้ระดับไหนระดับกลาง ระดับเล็กระดับละเอียดลึกลงไปจนจิตยอมรับความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างชําระสาสารกิเลสจิตคลายจิตสำรอกกิเลสออกหมดนั่นแหละจิตก็จะว่างสะอาดบริสุทธิ์นั่นก็คือองค์ฌานองค์นิพพานคำถา ม, ถามนิพพานคืออะไร หลวงพ่อตอบอยากจะรู้ความจริงตรงนี้เราก็ต้องพยายามทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ด้วยการจเจริญสติเข้าไปแยกรูปแยกนามเดินตามทางในอริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็ทำความเข้าใจในหลักของอริยสัจสีการเกิดของจิตเป็นอย่างไรรนดับของจิตเป็นอย่างไรจิตของเราเข้าไปหลงเข้าไปยึดถันห้าได้อย่างไร จนกว่าเราจะแยกรูปแยกนามได้ประกาศด้วยตัวเองได้ด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยนั่นแหละเราก็จะเข้าใจไม่ต้องไปเที่ยวหาครูบาอาจารย์ที่ไหนคำถา ม, ถามนิพพานคือดับสิน้นเหมือนไฟหมดเชือ้อใช่ไหมหลวงพ่อตอบมันไม่ใช่ คำว่นานิพพานหมายถึงดับดับสนิทจากความยึดมั่นถือมั่นดับละกิเลสออกให้หมดจากจิตจากใจของเราทําจิตทําใจของเราให้สะอาดแต่ดวงจิตของเราก็มีอยู่อยู่ได้ทุกที่แต่การเกิดไม่มีการเกิดเป็นโน้นเป็นนี่เกิดในภพโน้นในภพนี้ไม่มีการเกิดไม่มี การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีจิตก็จะอยู่ในความสงบความสุขความว่างความบริสุทธิ์อันนี้แหละเขาเรียกว่านิพพานไม่ใช่ว่าดับสนิทแล้วจะไปอยู่เหมือนกับไปอยู่ที่โน้นที่นี้อยู่ได้ทุกที่แต่การเกิดไม่มีคำถา ม, ถามทำไมต้องนิพพาน หลังนิพพานแล้วไปอยู่ที่ไหนหลวงพ่อตอบอย่าถกเถียงกันไปเลยปฏิบัติเสียเถิดก็จะรู้เองปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ท่านได้ชี้แนะแนวทางให้ให้ถึงจุดหมายปลายทางก็จะรู้ได้เองนั่นแหละถกเถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมีแต่คนโง่เท่านั้นที่เขาเถียงกันคนฉลาด ฝั่งนิดเดียวก็ไปยืนรออยู่ฝั่งนู้นแล้วจงเลือกดูเถิดคาถา ม, ถามคนที่สำเร็จเป็นพระอราหันต์ถ้ายัางไม่บวชบ้างก็ว่าอยู่ได้ไม่เกินเจดวันบ้างก็ว่าอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งราตรีแล้วต้องดับขันปรินิพานคือตายสรุปแล้วถ้าเราชาระกิีเลสหมดแล้วอยู่โดยไม่บวชได้หรือไม่ หลวงพ่อตอบเราต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดในหลักธรรมจริงๆพระพุทธองค์ท่านหมายถึงดวงจิตเป็นพระไม่ใช่หมายถึงสภาวะของสมมตินั่นหมายถึงดวงจิตใครชำระสสารกิเลสได้มากเท่าไรหรือจิตสะอาดบริสุทธิ์ได้มากเท่าไรและหมายถึงจิตของเราตายจากกิเลส ต, ตายจากกิเลสได้เร็วได้ไวเท่าไร จิตของเราก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้เร็วได้ไวเท่านั้นทำจิตของเราให้เป็นพระเราก็จะเข้าใจในความหมายตรงนั้นเราจะไปคิดว่าถ้าหมดจากกิเลส ข, ของเราแล้วธาตุขันจะแตกจะดับนั้นไม่ใช่ธาตุขันจะแตกจะดับไปเมื่อหมดสภาวะหมดปัจจัยหรือถึงวรระถึงเวลาจริงๆนั่นแหละ ธาตุขันของเราถึงจะแตกจะดับตามความเป็นจริงแล้วให้จิตของเราตายจากกิเลสได้เร็วได้ไวเท่าไหร่ยิ่งดีคำถา ม, ถ, ามถ้าเราไปถึงนิพพานแล้วเราไม่มาเกิดอีกแต่เราไปปลดดวงวิญญาณในนรกภูมิได้หรือไม่จำได้ว่าเคยอ่านเจอจากหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งมีพระอดาดัาร์ หรือพระโพธิสัตว์ไม่แน่ใจองค์หนึ่งได้ไปโปรดบุพะกาลีที่ตกไปในนรกภูมิให้บรรลุเป็นพระอราหันต์ได้ไม่ทราบว่าพอจะทราบหรือไม่คะว่าท่านคือใครและท่านได้บรรลุนิพพานหรือยังในขณะที่ท่านลงไปโปรดหลวงพ่อตอบอืมเอาอยู่ปัจจุบันให้ได้เสียก่อนเถอะทำปัจจุบัน รู้ตัวเองแย้ไขตัวเองให้ได้เสียก่อนถ้าเรารู้เราแล้วรู้จักขนทางเดินได้แล้วโปรดตัวเองได้แล้วแค่ขนาดมนุษย์ด้วยกันยังโปรดกันไม่ได้จะไปโปรดในนรกในสวรรค์อีกเอาโปรดในมนุษย์ให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องสวรรค์เรื่องนอกกายตรงนั้นพบปลูต่างๆมีจริงหมดนั่นแหละ เราปลดคนปัจจุบันให้ได้เสียก่อนขนาดคนปัจจุบันยังปลดไม่ได้แล้วเราจะไปปลดที่อื่นได้อย่างไรล่ะคำถามคนที่นับถือศาสนาอื่นก็สามารถนิพพานได้หลวงพ่อตอบพุทธศาสนาที่ไปนิพพานได้เพราะดำเนินอริยมรรคคือแยกรูปแยกนาม มีสัมมาทิฐิความรู้แจ้งเห็นจริงในการนี้เขาอาจไม่รู้จักชื่อนี้แต่จิตของเขาละกิเลสได้ไม่มีกิเลสไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็ถึงนิพพานได้เหมือนกันเพียงแต่เขาไม่เข้าใจในภาษาสมมติเท่านั้นเองแม้แต่คนในปา่าในดงในเขาก็เหมือนกันถ้าไม่มีกิเลสเขาไม่รู้ว่านิพพาน นิพพานที่เราพูดกันเป็นเพียงสื่อภาษาสมมุติเท่านั้นคำถามบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากเราสามารถแก้คลอกรกรรมที่เกิดขึ้นรอบตัวเรากับบุคคลที่สำคัญกับเราได้ไหมหลวงพ่อตอบมันอาจจะช่วยได้จากหนักให้เป็นเบาถ้าวิบากกรรมหนัก ก็อาจจะผ่อนคลายให้เป็นเบาจากเบามันอาจจะคลายไปได้ถ้าเรามีอานิสงส์อานิสงส์บุญช่วยเราได้ทีนี้บุญกุศลที่เราสร้างมากับวิบากกรรมวิบากกรรมหนักหรือวิบากกรรมเบาตัวไหนมันจะมาก่อนกันเท่านั้นเองคำถามคนโบราณในอดีตที่ฆ่าทาร้ายคนก็เยอะ เช่นในการทำสงครามแต่ขณะเดียวกันก็สร้างวัดวาบำรุงศาสนาด้วยใจที่บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจคนให้เป็นบุญเป็นกุศลบุณบารมีที่ได้สร้างอย่างนี้จะทำให้อยู่เหนือกรรมได้ไหมคือว่าความรู้สึกผิดก็ยังอยู่ยังรู้สึกทุกข์อยู่ในใจแต่ก็ได้กระทำไปแล้วขณะเดียวกันก็เป็นผู้มีความกตัอยู่ต่อบิดามารดา พยายามทำบุญกุศลเป็นประจําอย่างนี้จะสามารถแก้วิบากกรรมที่ทำไปแล้วได้ไหมหลวงพ่อตอบก็ทำให้จิตคลายความทุกข์คลายความกังวลมันก็แก้ได้ตรงจุดนั้นระดับหนึ่งทีนี้การสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นมหาบุญมหากุศลถ้าอันนี้ส่งผลบุญตรงนี้มาถึงก่อน มาก่อนวิบากกรรมตัวอื่นที่จะมามันก็เสวยผลบุญตรงนี้เสียถ้าจิตของเราไปอยู่ในกองกุศลผลบุญตรงนี้วิบากกรรมตัวนั้นก็ตามไม่ทันคำถามเป็นบารามีด้วยใช่ไหมหลวงพ่อตอบมันก็เป็นบารามีตรงนี้ ถึงเราจะสร้างบุญสร้างกุศลมากมายแต่จิตของเราไปกังวลเรื่องอดีตที่ผ่านมาโน้นจิตของเราท่าดขันแตกดับมันก็ไปเสวยตรงนั้นแล้วแทนที่จะได้อ น, นิสงผลบุญที่เราสร้างใหญ่กลับไปกังวลตรงจุดนั้นมีโยมคนหนึ่งเป็นขหาบพดีหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังเป็นเศรษฐีใหญ่อยู่ในเมืองขอนแกน่นท่านบริจาคทําบุญ เป็นร้อยกว่าล้านแต่ไม่เคยเข้าวัดทำบุญให้โรงเรียนให้โรงพยาบาลแต่ไม่เคยเข้าวัดหาพระพออายุมากขึ้นลูกชายลูกสาวก็ไม่ได้อยู่ด้วยไปอยู่ต่างประเทศก็มีตั้งแต่พยาบาลไปอยู่ด้วยกลัวตัวเองจะตายเกิดความทุกข์เกิดความกังกวลกลัวตายจะบอดกลัวจะมองไม่เห็นกลัวจะตายอย่างเดียวกลัวตัวเองจะตายไป ตั้งบนอยู่ตรงจุดๆุดนั้นโวตายจะบอดปวจะลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครเลี้ยงดูพยาบาลชนไปวัดก็ไม่ไปไม่ไปพอชวนไปหาหลวงพ่อท่านก็ไปพอเจอหลวงพ่อหลวงพ่อมองดูว่าเออผู้ชายคนนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เลยพิจารณาดูเราจะแก้จิตของเขาได้อย่างไรเลยบอกว่า ตากับยายสองคนนี้สร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะแต่ไม่รู้จักอานิสงผลบุญของตัวเองมีแต่สร้างเพราะว่ามีคนยุกยงให้สร้างเป็นการสร้างแบบเอาหน้าเอาตาแต่ใจมันไม่ได้สนใจในแรงบุญของตัวเองหลวงพ่อคิดจะทําอย่างไรให้ติดของสองคนอยู่ในกองบุญตรงนี้หลวงพ่อก็เลยเปลี่ยนอุบายเอาอย่างนี้พ่อตา ได้สร้างบุญสร้างกุศลใหญ่แล้วอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลไม่ต้องกลัวตายมาหาหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวบุญอานิสง์ของพวกท่านก็คงจะเต็มมีกระดาษสักแผ่นใหญ่ๆนะให้สองตากับใยนี้แหละระลึกนึกถึงผลทานของตัวเองตั้งแต่อยู่ร่วมกันมาว่าทานอะไรบ้างแล้วให้จดมาให้หลวงพ่อไล่มาให้หมดให้ไปช่วยกันนึก แล้วไล่มาให้หมดนึกได้อะไรก็จดจดไว้แล้วทบทวนเอามาให้หลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้พ่อกลับไปบ้านก็พากันไปไล่ไปนั่งนึกถึงผลทานของตัวเองแล้วก็เขียนเขียนเขียนจิตก็เลยไม่คิดเรื่องตายก็เลยมีตั้งแต่ความสุขเขียนได้ตั้ง28ล้านอยู่ในแผ่นกระดาษเอามาให้หลวงพ่ออนุโมทนา แล้วบอกว่ายังเหลืออีกนะหลวงพ่อผมจะได้ไปเขียนอีกเขียนใหม่แล้วก็ทบทวนของเก่ามีกำลังใจอยากจะเดินสร้างสติอยากจะฝึกสติฝึกสมาธิแทนที่จะไปคิดเรื่องตายทั้งๆที่บุญสร้างอยู่แต่ไม่เคยระลึกนึกถึงบุญก็เลยให้ไปเขียนระลึกนึกถึงมาก็เลยทำให้ท่านมีกำลังใจขึ้นฮึกหานขึ้น แล้วก็มีความปิติมีความสุขขึ้นจนพยาบาลว่าเอา้าไม่มีใครเขาเปลี่ยนได้ไปหาหลวงพ่อนิดเดียวเปลี่ยนแค่นั้นเองมันก็แค่นั้นแหละเพราะว่าจิตของผู้เท่าเมื่อให้เขียนให้ระลึกนึกถึงอานิสงส์ผลทานที่เคยทำมาจิตท่านก็เลยเปลี่ยนจากกรัวตายตังบนต่างๆมานึกถึงแต่เรื่องบุญนี่ ถึงเราทําบุญใหญ่มากมายมหาศาลถ้าจิตของเราคิดว่าเราไปทําบาปตรงนั้นนิดเดียวอันนี้สงผลบุญใหญ่ที่เราได้สร้างเอาไว้เราไม่เคยนึกนั่นตัวอันนี้สงผลบุญผลบาปตรงนั้นมันมาก่อนแล้วเราต้องพยายามดับไม่ให้เกิดความกังวลอย่าเอาอดีตมาคิดเอาปัจจุบันหรือว่าถ้าจะคิดก็ให้คิดในกองกุศล ถ้าสูงขึ้นไปก็แยกจิตแยกขันห้าแยกความคิดแยกอารมณ์ตามทําความเข้าใจแล้วละวิบากกรรมเก่าคือขันห้าอาการของขันห้ามาปรุงแต่งจิตมันก็ตามไม่ทันก็เป็นอโหสิกรรมทีนี้ตัวกรรมกุศลและกรรมใหม่เราสร้างเฉพาะกุศลแต่ไม่ยึดมันก็เลยอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรม คำถามถา ม, มีความฝันซ้ำๆกันอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อตอบนั่นแหละที่เราฝันอย่างนี้ถ้าเราเก็บเอามาคิดเอามาพิจารณาเอามาวิเคราะห์หลับปุ๊บมันก็มาปรุงแต่งหลับปุ๊บก็มาปรุงแต่งมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเราอยากจะรู้ความจริงตรงนี้เราต้องเจริญสติเข้าไปดูว่า ความฝันมันเกิดจากตัวจิตปรุงแต่งหรือว่าเกิดจากขันห้าปรุงแต่งหรือว่าเกิดจากเหตุการณ์เข้ามาปรุงแต่งหรืออาจจะพบภูมิต่างๆเข้ามาปรุงแต่งถ้าเราไม่อยากจะสนใจตรงนี้ตื่นขึ้นมาปุ๊บเราตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปจนจิตของเราไม่เกิดความกางังวลเราถึงจะอยู่เหนือนิมิตตรงนั้นได้ถ้าเราไม่ทาอย่างนี้จิตก็จะไปกังวลอยู่ตรงจุดนั้น มันก็ไปจมลงแต่ในนิมิตคำถามพอจมอยู่ในนิมิตมันมีผลต่อบุคลิกนิสัยใจคอของเราด้วยไหมหลวงพ่อตอบนั่นแหละเพราะว่าครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองครั้งที่สามก็ตามมาทีนี้มันก็เลยเป็นกระสีตรงนั้นพอหลับปุ๊บทำอะไรปุ๊บมันก็ขึ้นมาปับ๊บ แค่นิวรณเข้าปุ๊บมันก็ขึ้นมาปับ๊บกลายเป็นความเคยชินนั่นแหละเขาเรียกว่าพอมันหลอกเราอยู่ปัจจุบันไม่ได้มันก็ไปหลอกในนิมิตถ้าเรารู้จกัจกตัดรู้จักตัดตัดปุ๊บตัดปุ๊บไม่ต้องเอามากางังวลจะนิมิต ด, ดีหรือไม่ดีเราก็ไม่สนใจถ้าจิตของเราไม่กังวลแล้วเราถึงเอานิมิตนั้น มาพิจารณาลงต่รักหมดคือลงความว่างหมดเรามาพิจารณาแล้วลงความว่างพิจารณาลงในธรรมหมดถ้าจิตของเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นคำถาม้วสติปัฏฐานสี่เอามาใช้ได้ไหมหลวงพ่อตอบสติปัฏฐานสี่อย่าเพิ่งไปพูดถึง เรายังแยกจิตคลายจิตออกจากขันห้าไม่ได้ถึงเราจะพิจารณาในธรรมมันก็ยังเป็นกิเลสธรรมอยู่ยังไม่ครบสี่ถ้าอยากจะให้ครบสี่เราต้องแยกจิตแยกรูปแยกนามแล้วให้จิตของเราคลายออกไปรับรู้อยู่ในความว่างจะพิจารณาจิตจิตก็ว่างจะพิจารณาธรรมจิตก็ว่างจะพิจารณาอะไร จิตก็ว่างรับรู้นี่ถึงจะครบสี่คาถา ม, ถามรูปกับเวทนาพอจะเห็นแต่สัญญานี้เป็นอย่างไรหลวงพ่อตอบตัวความคิดตัวอารมณ์ตัวนี้แหละทำจิตของเราหลงตัวโมหตัวนี้แหละเราต้องพลายตรงนี้ให้ได้เสียก่อนมันจะฝืนกันมาก ถ้าเรามาดับมาฝืนถ้าเรามีความเด็ดขาดเอา้าตายเป็นตายให้อยู่เหนือตายมันจะรู้อะไรจะเห็นอะไรไหมไปไหมไปด้วยกันไหมเอาให้มันถูกทางเลยถ้าจะเดินตามทางนี้จริงๆลองไปฝืนตรงนี้ให้ลองดูสิให้มันถึงจุดหมายปลายทางดูสิทีนี้เราจะทำความเข้าใจได้ตลอดหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความเพียงของเราอีกคำถามให้แยกขันธ์ก่อนแล้วพิจารณาทุกอย่างลงเป็นไตรลักษณ์อลนนี้จังทุกขังอนัตตาหมดหลวงพ่อตอบให้แยกให้ได้ให้จิตแยกตรงนี้คลายตรงนี้ให้ได้สติตามดูให้ได้มันจะลงของมันเองแล้วก็มาฝืนดับ ไม่ให้จิตของเราเกิดเอาสติปัญญาไปเกิดแทนอีกคาถามแสดงว่ามนุษย์ทุกคนที่มีความทุกข์เพราะว่าทุกคนไปยึดในขันห้าแล้วเอาทุกตัวปัวพันกันไปหมดเลยใช่ไหมหลวงพ่อตอบมันยึดขันห้าตัวเดียวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไปยึดหมดถ้าปล่อยวางขันห้าตัวเดียว ก็ปล่อยวางอัตราตัวตนได้คือแยกรูปแยกนามได้ก็วางอัตราตัวตนได้ทีนี้เราไปละที่จิตดับความเกิดที่จิตแล้วก็มีได้เป็นได้ด้วยสติด้วยปัญญาคำถามทั่วๆไปไม่เห็นมีคนบอกเลยมีแต่บอกว่าให้วางอัตราหรือขันห้า หลวงพ่อตอบอยู่ๆมันจะไปวางได้อย่างไรในเมื่อมันไม่เห็นนะ่ะทุกคนก็อยากจะวางแต่ไม่รู้จุดวางมันจะวางได้อย่างไรนั่นและเราก็ต้องเห็นเห็นแล้วก็ต้องตามทาความเข้าใจให้หมดทุกเรื่องจนจิตหายความสงสัยจนจิตเกิดความเบื่อหน่ายมันถึงจะยอมวางได้ทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเช้านี้เราดูว่าจิตของเราไปแล้วสักกี่เรื่องอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตจิตของเรานิ่งไหมสงบไหมเราแยกรูปรสกลิ่นเสียงออกจากดวงจิตของเราได้หรือไม่เราต้องรู้ให้ชัดแดง้งรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยคาถาม บางคนเป็นอิสระต่อภาระหน้าที่ทางสมมุติเช่นเป็นนายของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการแต่คนส่วนใหญ่ยังต้องอยู่ภายใต้ภาราหน้าที่ที่คนอื่นตั้งให้เขาจะวางใจอย่างไรดีหลวงพ่อตอบนั้นคือวิบากกรรมตรงนั้นยังมีอยู่เพราะว่ามันยังไม่ถึงวาระเวลาบางคนเป็นเจ้าของกิจการ เป็นในายตัวเองอันนั้นอิสระเราอิสระเราบริหารอิสระอยู่ในระดับหนึ่งเป็นอิสระเราทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยเราไม่ทําเลยอยากจะพักก็ได้ความอิสระทางสมมุติตรงนี้เรามีเต็มที่แต่คําว่าอิสระทางด้านจิตลึกลงไปกว่าตรงนี้เราต้องพยายามคลายตรงนี้ให้ได้อีก คำถามในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์เกยตอบปริพาชกที่เพียรถามพระพุทธองค์เรื่องหนทางของผู้มีอาชีพแสดงระบำรำฟ้อนและพระองค์ท่านมีตอบจนถึงสามครั้งในที่สุดพระองค์ท่านทรงตอบว่าหนทางของพวกที่มีอาชีพแสดงละครระบำร ำ, รำฟ้อนคือนรกภูมิุเป็นอย่างนั้นทางเดียวเลยหรือ หลวงพ่อตอบอันนี้คนที่มาถามพระองค์ท่านพระองค์ท่านอาจจะมองเห็นว่ายังไม่มีอานิสงส์ไม่มีบารมีพอถึงตอบไปก็เพราะว่าตรงนั้นเขาก็ยังคงหลงอยู่ยังไม่มีอานิสงส์พอที่จะเข้าใจในเรื่องสภาวะจิตคือเขาทาอย่างนั้นเขาก็ยังหลงอยู่คาถาม หมายความว่าหน้าที่การงานก็ทำไปแต่ถ้ามีการประพฤติปฏิบัติการวางตัวอยู่ในศีลในธรรมในบุญกุศลก็จะได้รับอนิสงผลบุญตามนั้นอยู่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนรกกรูมิทางเดียวเพียงเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงใช่ไหมหลวงพ่อตอบเขาเป็นดาราอันนั้นก็คืองานของเขา แต่จิตใจของเขาก็ยังมีกองบุญกองกุศลอยู่อย่างนั้นเขาจะมีเทพไยบุญไยมานายเทพไยมานหรือทําไมเทพถึงเป็นฝ่ายมานได้เพราะว่าขณะเป็นมนุษย์เขาก็ยังสร้างบุญสร้างกุศลเขาได้รับอา น, นิสงส์ตรงนั้นเขาถึงเป็นเทพได้แต่จิตเขายังเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดแต่อา น, นิสงส์ผลบุญของเขา ทำให้เขาได้เป็นเทพแต่คนที่ไปถามนั้นเขาไม่ได้สนใจเรื่องตรงนี้แล้วอันนี้ส์งผลบุญผลทานเขาก็ไม่ได้ทำตรงนี้ถึงตอบไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะรับได้